พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอีกสักวันมันต้องมีจุดจบอ้าวลูกหลานนั่งประจำที่วันนี้เป็นวันพระขึ้น8ดค่ำเดือน11วันพระน้าเป็นวัน ประวรณาเป็นวันออกพรรษานะครับนักศร้ายญาติโยมลูกหลานแปลว่าจํารักษาศีนวันนี้และก็วันพระนาก็ใช่เป็นวันออกพรรษาถือว่าวันนี้เป็นวันพระด้วยแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยเห็นพี่น้องประชาชนศรธาญาติยโยมมาจากจ า, กจากตรรทิศที่หลวงพ่อได้ถาม ขนาดที่ใส่บาทมาจากไหนลูกล้านโอ้มาจากคนแห่งเลาหนกันหลายจังหวัดทีเดียวเพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันรวมญาติธรรมของพวกเราเพราะนั้นมาถึงวะมาถึงวัดแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันว่างจากการงานของพวกเราแล้วก็เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเพราะนั้นหลวงพ่อ จะให้ทายกเป็นผู้นําไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลตามปกติก็วัดของเราจะสมาทานศีลทุกวัน8คดคำสิบห้าคำอยู่แล้วนะในพรรษาแต่นอกพรรษาก็รักษาศีลแต่ว่าไม่ได้สมาทานเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านตั้งใจไหว้พระแล้วกส็สมาลสมาทานศีลเอาเริ่มครับ อีมินาสกาเลนาต่อไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลการรักษาศีลหลวงพ่อเคยแนะนำศรัทธาญาติโยมมิใช่ว่ามาที่วัดจัก่อนจึงรักษาศีลได้เราอยู่ณสถานที่ใดเราก็ประกอบคุณงามความดีได้ อยู่ที่บ้านก็รักษาศีลได้อยู่ในป่ารงพงไปที่ไหนก็รักษาศีลได้รักษาศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีศีลเออถ้าหาว่าเราทำที่ใดก็เป็นบุญเป็นกุศล ส, สาหรับพวกเราคณะทาญาิโยมนะถ้าเราทำกรรมชั่วก็เหมือนกันเราทำที่ใดก็คือชั่วเออเราทำที่บ้านที่เมืองที่วัด ที่ไหนๆก็คือความชั่วถ้าเราสร้างคุณงามความดีสั่งสมบุรณ์คุศนรักษาสินจะชั่วได้ยังไงเพราะเรารักษาสินรักษาอยู่ในบ้านรักษาอยู่ในที่ไหนๆถ้าเรารู้จักวิธีการรักษาอยู่ที่ใดดีทั้งหมดเพราะศินคือคุณงามความดีถ้าคนไม่มีสินแปลว่าความชั่วแต่ถ้าว่าไม่ได้ทําอะไรกับเป็นกลางๆนะ แปลว่าไม่ดีไม่ชั่วนะความชั่วเหมือนกับไฟเราจับนสถานที่ใดถึงจะอยู่ในวัดนอกวัดอยู่นสถานที่ใดมันร้อนทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันความชั่วนะถ้าหาว่าเราจับเราทำที่ใดที่ใดมันก็ชั่วก็เดือดร้อนไปทุกแห่งถ้าเราทำความชั่วมากก็ยิ่งความชั่วยิ่งเผาผ่านไหมตัวของเรามาก นี่ก็เหมือนกันอ่ถ้าเราไปอยู่นัสถานที่เร า, เราจับน้ําแข็งอยู่ที่ใดมันก็เย็นนี่แหละน้าเย็นถ้าเปรียบเทียบนน้าแข็งความความเย็นคือน้ําแข็งคือบุญความร้อนก็คือบ่าวอคุศลเพราะนั้นในพวกเราเข้าใจถวะอยู่นัสถานที่ใดทำได้ทั้งนั้นคุณงามความดี ความชั่วก็เช่นเดียวกันพราะะฉนั้นวันนี้พวกเราได้มาประกอบคุณงามความดีที่วัดหลวงพอ่อหลวงพ่อจะเป็นผู้ผานำผานำสมาทานศีลในวันนี้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะสิเลนะนิพุติยันติตัตมาสีลังวิโสทาจีสาธุาธลูกหลานอยู่ในความสงบ มีอะไรหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังลูกหลานแล้วก็ลูกหลานคนจะแปลกใจทําไมมีเต็นต์โมนิธิศริศริวัฒนภักดีกางไว้แต่ยังไม่ออกพรรษาแต่ว่าคงหลวงพ่อมีงานมีการอะไรน้อนี่แต่ตามไม่จริงเข้ามากางไว้เพื่อเตรียม กริ่นนะงานกระถิ่นวันที่ยี่สิบสามนะลูกหลานเนะวันที่ยี่สิบสามตุลาวันนี้เป็นวันที่เกอีกหลายวันอยู่แต่เขามาเตรียมการไว้ตั้เนินเนินเพราะว่าเขาจะได้ไปกลางลหลายแห่งเขาก็มาให้หลวงพ่อเตรียมให้หลวงพ่อก่อนเพราะนั้นลูกหลานได้เห็นเนี่ยมีแต่เต็นสีขาวเต็มเพืช แล้วก็วันกระถินก็วันที่23วันที่22เป็นวันกระถินวัดป่าบ้านตาดาวัดป่าบ้านตาดคือวัานานปู่บ้านาพ่อบ้านแม่บ้านปู่ของเราคือองค์หลวงต า, อาทอดกระถิน เ, เตรียมเพื่ อ, อบำรุงวัดหลวง สร้างพระเจดีลูกหลานคณะทาทญาติโยมไปเนะวันที่22เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์ทอดกระถินที่วัดป่าบ้านตาดพ่อทอดกระถินที่วัดป่าบ้านตาดแล้วแตนี้คณะสิทธิ์ลูกหลานของหลวงตาคือเราให้เกียรตินะให้เคารพในองค์หลวงตาแต่สมัยหลวงตา ย, ยังทรงธาตุขันอยู่เราก็ให้มาทอดกระถินที่วัดป่าบ้านตาด ซก่อนจากนั้นได้กระจุยกระจายไปตามวัดสาขาที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาคราวนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเราก็ยังให้ความเคารพในองค์หลวงตาออกพรรษาแล้วก็กรถินจะมาทอดที่วัดป่าบันตาดเป็นกรถินสามัคคีมาจากโรงพยาบาลศรีนครินน์นันลูกหลานนะแล้วก็จะรวบรวมจากโรงพยาบาลต่างๆที่องค์หลวงตาได้ไปช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนะจะได้มารวมมาร่วมกันทอดผ้าทอดผ้าพระกฐินวันที่22เพื่อสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาหลวงพ่อว่าเอออันนี้เป็นเป็นบุญเป็นกุศลพระหลวงตาได้ไปช่วยโรงพยาบาลมามากต่อมากเดี๋ยวนี้ลูกหลานทั้งหลายก็ควรจะให้ความสำคัญให้ความรักเคารพในวันทอดกฐิน ที่โรงพยาบาลศรีนครินทมีท่านคณะบดีเป็นประธานในการทอดกรถิ่นวันที่22ตุลาแต่วันของเราวันที่23แล้วก็วัดอื่นๆที่เป็นวัดสาขาของหลวงตาก็เป็นวันที่23วันอาทิตย์แต่วันที่23เป็นวันปียะด้วยนะคณะจต่าญาตุโอมลูกลานแล้วก็วันที่24เป็นวันหยุดชดเชยอีกได้กําไรอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไป วัดไหนก็ไปได้เพราะนั้นขอบอกกล่าวให้พวกเราคณะจท่ายญาติโยมทุกหมู่เราได้รับภูรับราบนวันที่23เป็นวันกะถินวัดของเราวันที่22เป็นวันกะถินวัดหลวงตามหาบัววัดปาบันตาดนะและก็วันนี้เป็นวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2559 เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน11เอพวกเราได้สมาทานศีลจบลงสักครู่นี้หรือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในเดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหลวงพ่อบอกว่าผู้ที่รักษาศีลหก็ดีรักษาศีลองโบสดก็ดีในไตรมาสสมเดือนอผู้ที่จะรักษาศีลห้าก็เออเอ า, เอาทุกวันพระ8ค่ำ15าค่ำ สามเดือนสี่าก็เป็นอันเป็นอันว่ารักษาศิน เ, เรารักษาศินในพรรษาเพียงสิบสองวันก็น่าจะรักษาศินห้าหรือรักษาสินุโบสดได้นะอพอถึงวันพระเราก็ประกอบอสมท า, านศินห้าเลยหรืจะไม่ได้มาวัดกับรักษาสินห้าอยู่ในบ้านก็ได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะ่ะรักษาศินห้า 4 32เพียง12วันไม่ได้หรอไม่ได้หรอนี้ก็ได้11วันนะนั้นลูกหลานนะเป็นวันวันพระนาคครบสิบสอวันออกพรรษาเป็นวันประวนารณาก็ครบ12วันพอดนะีในเมื่อเรารักษาศีลหรือเ ร, อเรารอประกอบคุณงามความดีเราตั้งจิตจิตอธิษฐานเรื่องอะไรก็ตามเนะี่ข้าไปเจ้าจางดฏุลางดเหล่างดปุรีงดการพันนัน และข้าไปเจ้าไปกราบไหว้พ่อแม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเรื่องเราจะทําวัดเย็นทุกเช้าไม่ให้ขาดทุกเช้าทุกเย็นไม่ให้ขาดหรือเราจะรักษาศีลทุกวันพระไม่ให้ขาดอย่นี้ในเมื่อเราทําได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะเมื่อออกพรรษาแล้วกัเนะี่ยวันกรถินวันที่23นะพวกเรามาก็มาขอพรจากพระพุทธอุดมมงคล น, นี่นะมากราบเสร็จแล้วก็ตั้งกิจอธิษฐาน ข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีได้สั่งสมบุญกุศลที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในจิตใจสําเร็จรูงมาโดยด้วยดีข้าพเจ้าไม่เคยขาดเลยทำวัดเช้าทําวัดเย็นทุกวันในพรรษาหรือเราข้าพเจ้ารักษาศีลทุกวันพระไม่ได้ขาดด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ประกอบดีแล่านั้นขอให้อื้ออํานวยอวยพรขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ประกาถนาเสียงใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาในเมื่อเราทําคุณงามความดีแล้วนะเราก็ขอพอรจากพระพุทธรูปนะพระพุทธรมมงคลคนเะนี่ยนี่แหละเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเรานะถ้าว่าไม่เหลือวิสัยพรนั้นก็จะประสิทธิ์ประสัดให้กับพวกเราสมสำเร็จสมความมุ่งมา่ประกาศหามิใช่ว่ากินเหล้าหมฟัดหม้อเวี่ยงเมาเหล้าจนพอแรงนะไปขอพอรจากพระ ตัวเองก็ไม่ได้ประกอบคุณงามความดีไปขอพอรเนาไปขอพอรเนาจะได้ยังไง เ, เราต้องทําความดีซะก่อนเราจึงขอพอรนะมันจึงจะถูกนะักการศึกาญาติโยมลูกหลานเนะนี่แหละพวกเราได้รักษาอะไรรักษาสัจจะอะไรแล้วก็ออกพรรษาแล้ววันทอดกระถิ่นมารวมมารวมกันแล้วก็ขอพอรจากพุทธปฏิมาตัณจิตอธิษฐาน นี่เราขอให้พวกเราทุกๆท่านนะแต่วันนี้หลวงพอ่อพอฉันจังหารเศรษตอนใกล้ใเที่ยงนะหลวงพ่อจะได้ออกไปถ้าไม่มีอะไรไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะหลวงพ่ อ, องคงจะออกไปวัดโพธิสมพรนะคณะทาญาติโยมลูกหลานเพราะว่าเป็นวันเกิดของหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่วัดโพธิสมพรหลวงปู่พระอุลมญาณโมรีอายุท่านท่านร้อยหปีนะวัดโพธิสมพร แต่องค์ท่านเดี๋ยวนี้อยู่ที่ที่โรงพยาบาลจุรานะกีีกุงเทพท่านไม่ได้มาห แ, แต่ว่าลูกหลานคณะทายาทโจมจัดทำบุญวันเกิดขององค์ท่านตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่8นะที่8ที่9ที่10นะวันนี้เป็นวันที่9หลวงพ่อจะได้ไปแสดงธรรมตอนบ่าย2โมงหลวงพ่อเคยไปทุกปีนั่นแหละหลายปีมาแล้วนะปีนี้ก็ คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันพอหลวงพ่อแก่แล้วนะลูกหลานนะอายุ72ปีแล้วจะไปที่ไหนหลวงพ่อต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกัร น, นะไม่ตลอนตะลอนเหมือนกับพระน้อยผ้านุ่มนะผ้าน้อยผ้านุมนะานาน่มจะไปที่ไหนก็ไปได้คล่องได้ง่ายพระสุขภาพยังแข็งแรงแต่เดี๋ยวนี้ตุ่มเตี้ยมเต็มทนจะไปได้กี่น้ำก็ยังไม่ทราบอีกเหมือนกันแต่เพื่ออย่างไงก็ถือว่าเป็นวันปู่วันทวดของพวกเราหลวงพ่ อ, องคงจะได้ไปสแสดงธรรมแล้วก็ไปพบ พาปาาัยกับคณะสัตายาญาดโยมโลูกหลานที่จังหวัดอุดรที่วัดโพธิสมพรวันนี้นะตอนบ่าย2โมงครึ่งะจะเป็นช่วงที่แสดงธรรมท่านให้เวลา1ชั่วโมงค่จนถึงจนถึงบ่าย3โมงครึ่งนะวันนี้นะเพราะนันคณะสัทา ย, ยาญาณโยมผู้อยู่แถบใกล้อุดรได้ยินแล้วก็เออเอาอยากจะไปร่วมสมทบไปแสดงมุด มุทิตาจิตมุทิตาสักการะในเจ้าพระคุณหลวงปู่ก็บอกกล่าว ต, ต่อกันเชิญไปร่วมในงานันิได้นะแต่ถึงยังไงก็ตามคณะทาญาิโยมลูกหลานที่หลวงพ่อจะพูดไปไหนก็ตามนะหลวงพ่อก็ยังคิดถึงว่าชีวิตของพวกเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนหาจุดมันอีกสักวันหนึ่งต้องมีจุดจบที่หลวงพ่อพูด ถึงหลวงปู่อายุถึงร้อยห้าปีแต่ไม่รู้จะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่ก็ถึงมีจุดจบอีกเหมือนกันถึงหลวงพ่อจะอายุ72ปีหลวงพ่อก็ต้องมองไปข้างหน้าไม่รู้จะจุดจบตรงที่ตรงไหนอีกเหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังหลวงพ่อนี่ก็เหมือนกันนะพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะกนัตาญาิโยมทุกๆุกท่านนะประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ เมื่อบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วนั่นนะเราจะไปนักสถานที่ใดเราก็ร่ํารวยโชคดีมีสุขนะถ้าว่าพวกเราไม่มีบุญในจิตในใจแล้วเราจะถึงจะเปลี่ยนพราะเปลี่ยนชาติถึงจะตายไปอ อ, อาจจะตกต่ํากว่านี้ก็ได้ไว้เลยเพราะเราไม่ได้ใส่ใจสนใจในบุญในกุศลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์อริยสงฆ์ในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นมีพระอริยสงฆ์เดียพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านได้แสดงธรรมหรือว่าธรรมมล็ขิดในชีวประวัติของท่านาพวกเราได้อ่านได้ศึกษาดูซิในธรรมคำสอนของท่านล้วนแล้วจะมีสาระประโยชน์ทั้งนั้น นำมาประพฤติปฏิบัติประปรุงกายวาจาใจของเราได้ถ้าเราใ่ในการศึกษาใ่ในการเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปการโสเสแสวงหาทรัพย์หลวงพ่อไม่ว่านะการสเสแหวงหาเงินคำทรัพย์สมบัติธรรมมาค้าขายอันนั้นไม่ว่าแต่การธรรมมาค้าขายนะั่นแหะหาเงินมาได้มากมายขนาดไหน ถึงคนจะยกย่องว่าเป็นเศรษฐีก็เถอะนะมาเอามาเลี้ยงเพียงร่างกายเท่านั้นเองเอเอถึงจะมันขยันมาเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายนะอีกสักวันหนึ่งก็ถึงจุดจบของมันอีกเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดนะ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อเคยเล่าเคยกล่าวว่าเงินส่งถึงเมนส่งถึงเมนส่งถึงโรงพยาบาล เงินในส่งถึงโรงพยาบาลเพราะได้เงินมาใครไปได้เงินมากก็ไปส่งถึงแพทย์ถึงหมอหมอกักษาอย่างดีให้ยาอย่างดีเพราะเรามีเงินเข้าไปให้ให้เขานะแต่ถึงยังไงดีขนาดไหนก็เถนะิดหมอก็หมดความสามารถเหมือนกันอีกสักวันหนึ่งเพราะว่าหมอเองเอหมอเองก็ไม่มีใครศาสตราจารย์หมอก็ไม่เคยหลงหลอมาหมอก็ตายอีกเหมือนกันแต่ว่า แต่พวกเราเนี่ยหมอรักษาผลที่สุดก็ถึงหมอจบหมอหมดความสามารถตายบางทีอาจจะตายในบ้านหรือตายในโรงหมอก็ได้ผลที่สุดญาติพี่น้องไปรับศพมาถึงจะญาติโกโหติการักกันขนาดไหนรักพ่อรักแม่รักพี่รั ก, ร ก, ร ก, รกน้องรักสามีภรรยารักขนาดไหน ก็ส่งได้ถึงเมนอเอพอจัดงานศพเสร็จแล้วก็ใส่หีบศพเข้าไปก็ส่งถึงเมนเอพอสูงถึงเมนกัจะเข็นเข้าไปในเมนแล้วกันั่นแนหะพวกเราก็ไปวางดอกไม้จันทร์ประนมมือตั้งกิจในินแดนเออท่านเอเอที่ท่าน เ, เ, เราได้ประมาทพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอท่านโปรดรโหสิกรรมให้กับข้าไปเจ้าด้วย ท่านก็เช่นเดียวกันถ้าหาว่าท่านได้ประมาทพลาดพังข้าพระเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจข้าพระเจ้าก็ยินดี อ, อโหสิกรรมให้ให้ท่านขอให้ท่านไปดีนะเน อ, อจากนั้นก็วางดอกไม้จันทร์ก็ออกมานั่งไม่มีญาติโกโหกพิตีกาสามีภรรยาลูกหลานผู้ใดจะกระโดดเข้าไปในเมนด้วยไม่มีฮะส่งถึงเมนเท่านั้นแหละแต่นี่จากนั้นก่อนน่ เขาก็ใสเข้าไปในเมนกับไฟจุดนะออจากนั้นก็มีแต่กระดูกออกมาแล้วในขณะที่ไปไนี้ยออร่างกายเนี่ยเป็นกระดูกออกมาแล้วแต่ดวงวิญญาณคือใจดวงนั้นนะ่ะนามธรรมาดวงนั้นนะวิญญาณดวงนั้นนะออตัวผู้รู้ดวงนั้นล่ะอ อ, ออกไปเกิดออกไปเลยตนีย ไ, ไปตามลำพังนั่นนะ่ะเอโกภโริโสรึนี่ ไปตามลำพังบุญกับบาปเท่านั้นเป็นเพื่อนสองถ้าเราพวกอะไรทําบุญไว้ไว้บุญจะเป็นเพื่อนสองนะกับดวงวิญญาณ น, นั้นถ้าใครทําบาปบาปก็เป็นบาปอากุศลจะเป็นเพื่อนสองแต่พวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีแต่แนะนําสั่งสอนให้ไปในทางที่ดี เราอยาให้ความชั่วหรือบาปอกุศลเป็นเพื่อนสองเะนะเราควรจะเอาบุญกุศลเข้าไปเป็นเพื่อนสองในการเดินทางของพวกเราดวงวิญญาณของเราให้นําบุญกุศลเป็นเพื่อนสองถ้าบุญกุศลเป็นเพื่อนสองแล้วเราจะไปเกิดในภพภูมิใดเราไปเลือกเกิดได้นะจนีเพราะบุญกุศลพาไปนะเราจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีก็ได้ลูกหะปอดีลูก ชั้นไหนไหนได้ทั้งนั้นไปเลือกเกิดได้เพราะเรามีบุญแต่ถ้าเราไม่มีบุญดวงวิญญาณ น, นั้นบาปอกุศลพาไปนะเออเหมือนกับนี่ะตารวจพาไปเอาไปเข้าคุกก่อนนะอ่าเข้าคุกอาเภอก่อนอ่าต่อไปกระส่งไปคุกจังหวัดอ่าต่อนั้นก็ไปวงบังขวางลาดยาวไปเรื่อยเลยนี่เออเพื่อๆมันโทษหนักใช่ไหมอ่าโทษหนักก็ยิงเป้านะ ป่าหานนี่แหละอันนี้คื อ, คอบาปอกุศลพาไปมันเป็นอย่างนั้นนะขนธ์ศรียาตโยมกับบุญกุศลพาไปมันแตกแตกต่างกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจให้บุญกุศลเป็นเพื่อนสองจะดีกว่าไม่ใช่เหร อ, อไม่ควรจะเอาบาปอกุศลเป็นเพื่อนสองวันนี้หลวงพ่อให้คําแนะนำสัตย์ศาียาติโยมลูกหลาน ไว้เพียงเท่านี้ก่อนต่อจ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรเนตินีนะ